นี่เลยสซนเรื่องเกี่ยวกับเวทนารู้จักไหมเวทนาคืออะไรเนี่ยพอๆพอกับเราคุยกับฝ ร, รั่งมาเลภาษาต่างดาวเวทนาคืออะไรเนี่ยพอเราเจอภาษาพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้ว มันไม่มีในข้อมูลหัวเราเลยมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้จักข้อมูลเหล่านี้เลยไม่ต่างจากเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเนี่ยคือความหมายของมันแล้วพอแปลมาเป็นไทยอีกอ่แปลมาเป็นไทยอีกแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยอีกเนี่ยมันจะกี่ชั้นเนี่ยได้ภาวะจริงเนี่ยมันจะเจ อ, อยังไงเนี่ยบาทีแปลไทยเป็นไทยไม่พอ ต้องแปลไทยเป็นภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางอีกโอมันมันมันซับซ้อนมากหลายขั้นตอนเลยเกินที่จะไปเจอตัวจริงของมันเน่ยนะไอ้ตัวจริงตัวจริงของมันเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรนะมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่ไอ้พวกภาษาสมมุติเนี่แหละมันจะไปบดบังภาวะจริงของมันเยอะเลยเนี่ย ที่ก็แปะกระแปะแปมันเป็นความรู้สึกอยู่สามอย่างเวทนาเนี่ยนอาการที่กระแปะมาแล้วคือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกเวทนาสามเออไม่รู้ว่าสุขหรือทุกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกก็ไม่ใช่เนี่ยเวทนาเนี่ย นสิ่งที่จะมาเจอกับเราเนี่ยมันมีอยู่อาการสามอย่างนี้ท้งนั้นเลยที่จะมาเจอกับเราเนี่นะที่เราจะคอยกระทบสัมผัสเนี่ยเพราะในแต่ใช้ภาษาขันห้าก็งงอีกใช่รูปเวทนาสัญญาสางขารสัญญานี่ก็เอาอีกนะที่เราจะจะลองเรียบเรียงให้เราเข้าใจง่ายๆว่าตัวรู้นะ่ะมันจะทำหน้าที่รู้รู้ความรู้สึกอันนี้ อย่างไงเพราะตัวรู้เนี่ยมันต้องจําอาการลักษณะของให้สามอาการนี้ให้ได้เครียว่าถ้ามันจําลักษณะของสามอาการนี้ได้ปุ๊บนั่นแหละมันกําลังรู้เวทนาแต่ถ้ามันจําไม่ได้นะมันไม่รูนะ้ที่อาการสามอย่างเนี่ยมันเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นทางกายก่อน เราทางกายอะ่ะถ้าย็นสบายนี่เป็นยังไงอ่ะเย็นสบายถ้าเกินจากนั้นเป็นยังไงอ่าย็นเย็นสบายนี่ก็จะทําให้เกิดสุข เ, ขเวทนาที่เรารู้สึกโอ้ชอบใจสบายจังอากาศดียามเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะเย็นสบายอันนี้เรียกสุขเวทนาคืออาการที่มันมากระทบมันอาการแบบเนี้ย เราจะตีมันให้ฝากฝังเขาว่าความสุขความสุขแต่ถ้ากลางวันกลางวันล่ะอาจะอาการอาการที่มันร้อนมากระทบกับเราล่ะโอ้ยทุกข์ทรมานเหลือเกินเน่ะดิ้นรนกระสับกระส่ายเมื่อวานนั่งผ้านั่งร้างเกี่ยวว่าไม่เปิดพัดลมหน่อยก็ดิ้นกันให้พลาดแค่เพื่อให้ศึกษาวะ่ะอันเนี้ยถ้าฝากตรงกันข้ามทุกข์ถ้ามันร้อนเนี่ยกระทบเวทนา แต่เท่าไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปแหละธรรมดาธรรมดาอันเนี้ยเออเนี่ยเภาวะนะมันก็ไม่ใจสุขมันก็ไม่ใจทุกข์คือไม่รู้สึกประมาณร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเนี่ยอย่างร่างกายเร้เหมืนเท่าเจ็บมากๆก็จะเป็นไงทุกขเวทนาใช่อืมถ้าเบาสบายเป็นไงสุขเวทนาแต่เนี่ยมันธรรมดาธรรมดาเจ็บก็ไม่เจ็บเบาก็ไม่เบาอันเนี้ย เรีว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่อาการของสุขหรืออาการของทุกข์แต่อาการของธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยน้ําร้อนน้ําร้อนมากๆเป็นยังไงทุกเวทนาสมมตินะให้เห็นถ้าน้ําเย็นมากๆเป็นยังไงเย็นมากๆเย็นพอดีพอดีที่เราชอบชอบนะใส่น้ําแข็งเข้าไปเย็นๆที่เราชอบชอบนะอันนี้ก็สุขเวทนา แต่น้ำธรรมดาที่เราดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้ไอ้ภาวะของความไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานะเนี่ยเนี่ยคือโลกมันจะมีาสามลักษณะให้เราเห็นเนี่ยแล้วใคารก็ดูดีๆนะที่มันจะมามาใส่เราอยู่เรื่อยๆเนี่ยสามลักษณะเนี่ยเข อ, อยากใส่เราอยู่เรื่อยๆถ้าเราสังเกตมันอนะ่ะเท่าเจอนีทนะ่ทางกายเนี่ยทางกายเนี่ยจะเป็นไปหมดเลยอาการที่มัน มันทุกทรมานมากๆเขาเรียกว่าทุกขเวทนาอาการทางกายที่มันสุขมันเบามันสบายมันโล่งมันปร่งนี่ก็สุขเวทนาแต่อาการที่มันมันก็ไม่เบามันก็ไม่หนักมันธรรมดาธรรมดาที่มันเป็นอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่เจ็บเกินไปไม่สบายเกินไปเนี่ยนี่แหละอาการของเวทนาทางกายมีสามอย่างนี้นะสามอย่างนี้ นี่ถ้าลราไลไปถึงอายตนะก็เหมือนกันกลิ่นหอมามากๆเป็นยังไงกลิ่นหอมามากๆเราก็จะรู้สึกสุขไปที่เราชอบชอบอ่ะเราจะรู้สึกว่าเกิดสุขเวทนาใช่ไหมยพรกลิ่นหอมหอกลิ่นเหม็นมากๆกลาแล้วหายใจแบบธรรมดาธรรมดาลมหายใจที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละนี่แหละภาวะของมันเป็นอย่างนี้จะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่ที่เราหายใจอยู่ประจำประจำอ่ะน้าหวาน มากๆน้ำขมกับน้ำธรรมดาแล้วกินอย่างไหนมากเนี่ยจิตเราเนี่ยเวลามันขึ้นมันลงมันขึ้ น, ม, น, นมันลงเนี่ยมันจะอยู่ภาวะของอารมณ์เนี้ยแต่เราไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักอย่างเช่นบางคนอยู่ห้องแอร์พออยู่ห้องแอร์ประจําประจําเป็นอย่างนีที่แรกใจจะเกิดเหตุแต่พอเราออกจากห้องแอร์ปุ๊บมันร้อนใช่ไหมพอเข้าห้องแอร์ปุ๊บมันจะรู้สึกมีความสุขใช่สบาย แต่เราอยู่นานๆเข้าปุกมันจะรู้สึกเป็นไงธรรมดาธรรมดาถ้าออกไปเจอร้รอนอีกเป็นยังไงโอ้ทุกวิ่งเข้า้องแอร์มันจะเจือสุกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อยสร้างอารมณ์ให้เรารู้สึกกับไอภาวะที่มากระทบกับชีวิตเราเนี่ยนะถ้าเขาพูดเสียงเพาะเราเป็นยังไงอเสียงเพาะเนี่ยชื่นใจดีใจเนี่ยไปกระตุ้นเขาดา่าเขาว่าเราเป็นยังไงโอ้ยอ่า ถ้พูดธรรมดาธรรมดาละเรื่อยๆคุยกันเล่นๆธรรมดาเป็นไงอ่ามันก็ใจเป็นเป็นปกติธรรมดาธรรมดาอันเนี้ยอา้าวถ้าเราไปเห็นตาไปเห็นล่ะพ้าตาไปเห็นดอกไม้ที่เราสวยๆหรือวิวที่เจ ส, สวยเป็นยังไงเกิด<ม><ม>สุขเวทนาลแล้วแตเกิดหันไปดูทีหนึง่งโอ๊ยี่กองขี้หมาเนี่ยกองขี้หมากองหมาเน่ากองขยะเละเทะหมดเลยใครเอามาที่ไม่รู้มันเป็นยังไง แต่จะดูอะไรแบบดูต้นไม้ดูใบไม้ดูอะไรที่เป็นธรรมดาธรรมดาที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันต้นไม้เราดูระหว่างต้นไม้กับคนเนี่ยอันไหนรู้แล้วรู้สึกกว่ากันต้นไม้ก็จะรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาแต่ดูกับคนเนี่ยมันจะรู้สึกแหละไอ้คนนี้เราชอบก็จะรู้สึกว่าเป็นสุขไอ้คนนี้เราชังมันจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไอ้คนนี้เราไม่ชอบไปชังรู้สึกว่าเออคนนั่นแหละเนี่ยดูดูดูพฤติกรรมของมันสิเนี่ยคือเวทนาที่มันมัน ทั้งห้าตาหูจมูกร่างกายรูปเสียงกินสัมผัสทั้งห้าเนี่ยจะไปสร้างความรู้สึกอยู่สามชนิดนี่แหละนะถ้าเราดูศึกษาดีๆแล้วแล้วแยกขบวนมันได้ถูกอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่คือกลุ่มก็กลุ่มก้อนของตัวสุขเขเวทนาอันนี้คือกลุ่มก้อนของตัวทุกขเวทนาอันนี้กลุ่มก้อนของตัวไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขแต่ถามแต่เรารู้สึกไหมว่าดอกไม้จะสวย ขี้หมากับกองขยะจะเหมิ่นเน่าท่ไหนเนี่ยมันเดือดร้อนเขาหรือไม่ใครเดือดร้อนวันก็เป็นของวันอย่างนั้นแหละมันไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรของมันหรอกมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่เราอ่ะแปลงสัญญาในการรับรู้เวทนาเราผิดเราเลยให้ค่าไนงะไม่ไม่ได้มีอะไร เ, เราดูดีๆเนะี่ย มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะชอบใจหรือคุณจะไม่ชอบใจมันก็ตามเขาก็จะเป็นของขาอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้สนใจเราเหรอกอย่างคุณจะชอบหรือไม่ชอบร้อนก็ยังมาร้อนอยู่เหมือนเดิมเพราะร้อนนะ่ะชอบฉันนะเปล่า ย็นก็ชอบช น, นะก็เปล่าเชยๆก็ชอบช น, นะก็เปล่าเนี่ยคือรอบๆตัวเนี่ยธรรมชาติเขานะี่ยเขาเป็นของเขาอย่างนี้แหละแต่เราใจเราเองที่ไม่ได้ฝึกไปไปให้ค่าให้ความหมายกับมันมันจึงมีค่ามีความหมายในใจเราใจเราจึงวุ่นวายกับไอ้ค่าและความหมายที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นเนี่ยเ น, นี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มากระทบกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่ใครให้ค่าให้ความหมายกับมัน ยิ่งยิ่งในใจยิ่งหนักเลยอันนี้เรื่องข้างนอกนะเรื่องเฉพาะรูปเนะี่ยเรื่องในใจเวลาเราได้อารมณ์เวลาเราเกิด อ, อารมณ์ที่ดีใจเป็นยังไงเราก็จะรู้สึกว่ามันสุขโอ้ยได้อะไรตามใจชอบโวยฝันว่าอยากได้ลักษณะอย่างหนึ่งวันนั้นตายขึ้นมาปุ๊บน้ําหูน้ําตาไหลดีอกอีใจเลยแต่วันตรงกันข้ามเขาด่าเอาเขาว่าเอาร้องโผมร้องไห้อีกเหมือนกันเศร้าโศกเสียใจอีกเหมือนกันเอา้าน้ําตามันบอกได้ทั้งสองอย่างว่ะ ดี ใ, ใจสุดๆมันก็ออกได้เสีย ใ, ใจสุดๆมันก็ออกได้นะแต่พอถึงที่สุดแล้วมันก็จะปรับสู่สู่โหมดโหมดธรรมดาโหมดธรรมดาที่มันอา้าวก็เรื่องปกติธรรมดาไอ้โหมดเนี้ยไอ้โหมดธรรมดาที่ไม่สุขไม่ทุกเนี้ยถ้าเราปรับอยู่กับมันมากๆปุ๊บมันจะสู่โ ห, หมดอุเบกขาอันเนี้ยมันจะเข้าสู่ภาวะของโหมดอุเบกขาพวกเราอยู่กันไม่ค่อยเป็น เราชอบเป็นอย่างอะไรที่ก็ชโขึ้นสูง ๆ, ๆเราชอบเนี่ยแล้วก็ตกลงไปต่ำๆที่เราชอบนั้นเวลามันมีความสุขแล้วคุณยังชงตัวเองขึ้นไปอยู่กับเรื่องเล่านั้นนะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอะเจอดีกาจะตกลงมาอย่างแรงเลยแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดอย่างเงี้ยอ้าชอบก็รู้ว่าชอบแต่เราปรับตัวเองอยู่ในโหมดนี้แล้วก็จะหายไปอ้า ไม่ทุกเราก็รู้อะทุกขุ่นวายเราก็ไม่สบายใจอะไรต่างๆเราก็รู้มีอยู่แต่เราปรับจิตนั้เราอยู่ในโหมดเนี้เออเห็นมันแล้วมันมันมันจะไม่ตกไปกราฟขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันจะเริ่มปรับเป็นกราฟที่เสถียรขึ้นเคยเห็นคนตายไหมเวลาหัวใจมันไม่เต้นที่ไปจอมไม่เต้นมันจะเป็นเส้นยาวๆนะนั่นแหละการตายจากกิเลสก็ตายอย่างนั้นแหละแต่ถ้ายังขึ้นลงขึ้นลงอยู่แล้วก็ โอยยิย่งเล็มันก็ปัดเอาอยู่นั่นแหละเอ้เวลาเวลาเราเจออะไรดีๆที่มันมันสบายๆง่ายๆที่มันเรียบๆ เ, เนี่ยเราจะรู้สึกไม่ไม่ตื่นเต้นเนี่ยเราจะเราจะตื่นเต้นก็นตแต่เมื่ออะไรมันเจอภาวะตรงกันข้ามเนี่ยลราใหญ่รู้จักคุณค่าของเบาเมื่อวางของหนักใช่ไหมอ่ารู้เมื่อเราแบกของหนักอะ่ะ เราจะรู้สึกคุณค่าของความเบาเป็นยังไงใช่หรือไม่อืลองแบกถืออะไรหนักๆสิเราจะเห็นคุณค่าของความเบาทันทีเลยแต่เมื่อคุณเบาบ่อยๆบ่อยๆ้าคุณจะรู้สึกคุณค่าของความเบาไหมไม่ไม่เคยรู้เรื่องแหะคุณต้องไปจับให้มันหนักๆอีกเนี่ยคือจิตที่มันสนมันสนอยู่เรื่อยๆมันค่อยก็สบายๆอยู่แล้วไม่ชอบมันชอบไปวุ่นวาย เนี่ยภาวะของเวทนาที่มันมันสู่ความเป็นปกติที่ไม่เอาดีเอาชั่วเอาชอบเอาชังเนี่ยมันเป็นภาวะของอุบเบกขามันจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่อาการทั้งสองทั้งสองอย่างนี้จะยังเกิดขึ้นอยู่ไหมเกิดอยู่เหมือนเดิมแต่จิตเรานะ่ะมีกําลังในการที่จะไม่เข้าไปร่วมกับมันมันเลยทําให้จิตเรานะ่ะไม่สาย จิตเราจะเกิดไอการรู้เวทนาเนี่ยสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยพวกเราที่เมื่อพวกคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยเราจะสนใจเวลามันสุขมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพิเศษแล้วทําไมเวลามันทุกข์มากๆไม่รู้สึกบอกเป็นความพิเศษซะมั่งล่ะโวกความทุกข์มากๆนี่เป็เรื่องที่พิเศษมากๆทาไมเราไม่รู้สึกล่ะดูแรงเหวี่ยงของเราสิเราเกียดชังมันสุดๆเลย เวลาสุขมากๆแล้วก็ชอบมันสุดๆเลยว่าเป็นเรื่องที่วิเศษเรื่องเป็นเรื่องที่พิเศษแต่แล้วพอมันเบี่ยงลงตับตกลับ ต, ตรงกันข้ามปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันมันอะไรมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ทรมานอย่างมากมายมหาศาลแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ที่เราชอบชอบอยู่เนี่ยมันทุกข์ไหมเออมันทุกข์ ไ, อ, ไ, อ, อ, ไ, ไ อ, อ, อ้ที่เราไม่ชอบไม่ชอบเรามันทุกอยู่ไหมมันทุกแต่เราสนใจว่าไอ้ที่เราชอบเราเราให้ค่าตีทาว่าสุขนี่แต่พอที่เราไม่ชอบไม่ชอบเราให้ค่าตีทาว่าทุกมันเลยทําให้ใจเราเนี่ยเลียงไฟฟ้าที่จะหาความสุขแบบนั้นพอไฟฟ้าจหาความสุขแบบนั้นก็เกิดพฤติกรรมในการดิ้นรน ดิ้นรนแล้วความสุขที่เราหาเนะี่ยมีกี่ชนิดอ้าวสิ่งที่จะทำให้แกเกิดความสุขความชอบใจเนะี่ยมีกี่ชนิดโอ้เยอะแยะมากมายเลยรวมมันได้ไหมสรุปมันได้ไหมว่ามีกี่ชนิดจริงๆไม่เกินห้าชนิดไม่เกินห้าชนิด อย่างอย่างตาเนี่ยถ้าเห็นรูปสิสวยปุ๊บก็จะสร้างอารมณ์สุขขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเขาเลยไปขนฝายในการที่ต้องไปเที่ยวนูน่นต้องไปเที่ยวนี่ต้องไปดูนั่นคือผัดสะอะไรที่เกิดทางร่าง ก, กายทั้งหมดเนี่ยที่มันทําให้เราชอบใจมันจะต้องการการที่จะซื้อมาเพื่อสนองตอบเนสนองตอบเนี่ยทางกายนะบอกแล้วมีแค่ห้าชนิดนั่นเองไม่ใช่มีเรื่องอะไรมากมายสับสนหรอกห้าชนิดนี่แหละ ภาษาทางกายที่เป็นฝักฝ่ายของความบวกที่ทําให้เราเกิดความสุขเนี่ยเราก็เลยไปแสวงหาคิดว่าวัตถุเหล่านั้นน่ะมันให้ความสุขแก่ใจเราได้จริงๆมันไม่ได้รู้เรื่องเรานะมันก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นแหละไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราหรอกแล้วก็เกิดวันเออต้องไปหาที่วิวดีดีที่อากาศดีดีที่ภาษะดีดีไปนอนโรงแรมราคาดีดีมีบริการที่ดีดีเสียสตังค์ไปเรื่อยเปือ่อยเพื่อหาความสุข เดชานตรงกันข้ามถ้ามันเกิดกลุ้มใจขึ้นมาล่ะไอไอที่ดีๆทั้งหมดอ่ะประาศาปราศาความฝันทั้งหมดอ่ะพังทลายเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยต่อเคยเคยไปนอนห้องราคาทั้งหลายบาทไหมเคยไปใช่ไหมแล้วดูดิถ้ามันกลุ้มใจอ่ะไอห้องที่ราคาดีๆอย่างนั้นน่ะมันจะมันจะมีความสุขไหมเนี่ยนี่คือทางกายจะแสวงผัสสะที่เป็นเวทนาเนี่ย มีแค่ห้าเรื่องอิงนั้นไม่ติดสับสนเลยมั้งแล้หูก็จะเหมือนกันแสวงหาเสียงเสียงที่ฟพพัเพราะเสียงที่เราชอบใจเสียงเพลงเสียงคนชมเสียงธรรมชาติหรือเสียงนกร้องหรือแต่ละคนก็จะชอบไปตามเรื่องตามราวของแต่ละคนไปนี่ก็อีกภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่จะเอามาปลเปลอยให้เกิดความสุขเนี่จะูบ ก, ก็เหมือนกัน ก็จะแสวงหากลิ่นใช่หมแล้วสิ่งเหล่านี้ลิ้นก็เหมือนกันไออินเท อ, เ อ, เอเนี้ยตัวแสบไอตัวลิ้นนี่เหมือนกันจะแสวงหาแต่อะไรมาใส่ให้มันใส่จนอ้วนจนอะไรไปโรคภัไข้เจ็บเกิดเยอะแยะมากมายเพราะต้องการคีกินเพื่ออร่อยเนี่ยแต่ไม่รู้วิบากของร่างกายต้องรับผิดชอบยังไงนี่อะไรอร่อยอร่อยแต่ไม่รู้ว่าที่อร่อยมันนะมันมายังไงมันมีประโยชน์หรือมีโทษ แทนจะกินอาหารเป็นยายาเหมือนกันนะอาหารเป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาพิษแ ท, แทนจะเป็นยาชีวิตเนะี่ยเป็นยาพิษคนเนะี่ยเพราะต้องการความอร่อยอร่อยท่านเองลองดูมันสิมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วพอเราจะสแสวงหาเรื่องนี้ไนงะต้องใช้อะไรมากนี่คือความสัมพันธ์พอเราต้องการที่จะ ส่วหนแสวงหาความสุขทางวัตถุเนี่ยต้องใช้อะไรเงินเงินแล้วต้องทําอะไรต่องานงานแล้วทําอะไรต่อต้องไปทำลายธรรมชาติในธรรมชาติแล้วพอธรรมชาติมันสุขทําลายพุ๊ไอ้พวกนี้ก็หยุดบใส่เข้ามาเราใส่เราอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นวัตถจักรเป็นวังคนที่น่าสงสารที่ทุกคนไม่รู้เรื่องนั่นต้องเข้าใจดีว่าความสุขบนโลกใบ น, นี้ เขาเรียกว่าสุขจากการมาคุณพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันว่ามันไม่ได้มีมันมีความสุขห้าชนิดเนี่ยบนโลกนี้ก็หากันแค่นี้แหละแต่พระเจ้าจะบอกว่าคว า, ามสุขจากการมาคุณนี้เป็นความสุขของหมาแทะกระดูกมีสิทิอิ่มไหมต้องการเพิ่มขึ้นหรือต้องการน้อยลง ไม่มีสิทธิ์อิ่มและต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อต้องการเพิ่มขึ้นปุ๊บถ้ามันได้มาแล้วมันจะพอแค่นั้นไหมไม่เดี๋ยวอารมณ์นี้มันจะหายไปก็ต้องพยายามอยากอยากเหมือนกับคนเสพยาเสพติดไม่มีผิดยิ่งจำยังการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ว่าจุดจบของมันจุดอิ่มจุดเต็มจุดสมบูรณ์ของมันอยู่ที่ไหน ก็ตัวความสุขชินีมันก็จะตัวไอความสุขของเวทนาสุขของเวทนานี้มันก็จะละลายตัวไปเรื่อยเหมือนเหมือนฟวามฝันนะเหมือนฟองฝันเหมือนฟองอากาศเหมือนพยับแดกที่เราไม่สามารถวิ่งไล่ไปทันมันได้ไม่สามารถจะรักษาให้มันคงอยู่ได้เนี่ยน่าสลดสังเวชกับตัวเองไหมที่ทงชีวิตเนี่ย จนป่าเนี้ยป่าเนี้ยเพิ่งได้มารู้จักดินดนก้นรนกระเสือกกระสนจนโอ้ยมันหน้าเราเรายอดมองย้อนไปแล้วกูใช้ชีวิตมาทํำไม่ไว้เนี่ที่ใช้ใชมาอยู่เนี่ยใช้เพื่ออะไรเนี่ยแล้วกูได้อะไรจากการใช้ชีวิตมาเนี่ยทั้งย้อนไปมองดูแล้วชีวิตทั้งชีวิตเพื่องานเพื่อเงินเพื่อสนองตอบความสุขที่เป็นกรรมคุณที่มันมันเหมือนควาฝันอนะ ทีม่มีวันไปถึงเหมือนเหมือนพยับแดดรู้จักพย่ำแดดไหมเราเคยวิ่งขับรถบนถนนที่แดดมันระ้อนๆมันจะเหมือนมีน้ําอยู่ข้างหน้าเนะ่ะยิ่งๆไปก็ไม่ถึงไปก็ไม่ถึงไปก็ไม่ถึงมันไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆเอเอเหมือนเลยจัะเล่จับเงาตัวเองอ่ะจับเท่าไหรก่ก็ได้แต่เงา ต, ตัวเราไม่ได้เพราะนั้นจริงๆนะ เนี่ยสุขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมันจึงทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันมันมีคุณนะแต่โทษมันมนหาศาลอ่ะพอตันตรงไปข้างปุ๊กก็ทุกข์ก็มีกี่อยา่างก็มีอยู่ห้าอย่างอีกหละที่ไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสร้างอารมณ์ขึ้นมาแค่นี้เองแล้วมันก็หายไปเนีย่ยเราต้องต้องทำไมต้องมาฝึกรู้มันด้วยนี่ฝึกรู้มันเพื่อไม่ต้องการเป็นหลงมัน ที่เราต้องการฝึกรู้มันเนี่ยเพื่อต้องการที่จะไม่หลงในเรื่องราวกับพวกนี้พรายิ่งหลงไปเนะี่ยมันยิ่งได้อะไรยิ่งหลงไปเนี่ยมียิ่งได้สุขเพิ่มขึ้นหรือทุกข์เพิ่มขึ้นอืยิ่งหลงเข้าไปหลงเข้าไปทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววัาเราทําเราเดินจงกกงไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็ทุกข์ทางกายที่มันร้อนมากมันเย็นมากมันปวดมากมันเมื่อยมากเนี่ย เอาไปอาบน้าหน่อยโอ้สบายดีใจสักพักหนึ่งเนี่ยมันสลับกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าคุณไม่ลึกซึ้งกับการเข้าไปรู้แล้วเข้าไปสังเกตชัดเจนเนี่ยมันหลอกคุณจนตายไม่ไม่ตายแค่นี้ข้ามภพข้ามชาติดนะ้วยจะบอกให้อยาเกิดมาอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกเลยคุณเกิดมากี่ครั้งนะ่ะ ไม่มีจิตเป็นยอย่างอื่นเพราะว่าเขาล็อกสเปกไว้แล้วคุณต้องมาสเปคนี้คุณต้องมาแนวนี้สัตว์ทุกตัวเกิดมาบนโลกใบนี้เท่นกันหมดเลยเห็นถ้าเราไม่ชัดเจนไอการสังเกตมันมโอ้นี่สุขกวทนาแล้วอย่าไปหลงมันให้ปรับมาสู่ความธรมธรมดาธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นปกติเนี่ยนะเป็นปกติธรรมดาง่ายๆเนี่ย ตรงเนี้ยเป็นจิตมันจุดสําคัญถ้าเราไม่มาทํามำเราจะไม่รู้จักนะถ้าเราไม่มาฝึกไอ้ภาวะของการรู้ลักษณะของมันไปเรื่อยเรื่ยเราจะสับสนตัชีวิตไม่มีเรื่องอะไรมากนะแล้วความคิดก็จะคอยดักอาศัยเป็นตัวเชื้อเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นวัฟลูนคอยดักสงให้อารมณ์พวกเนี้ยลุกขึ้นเท่านั้นเองมันแค่มีอารมณ์สุขนิดหน่อย แล้วก็เอามายำคิดยำทำให้มันสุกเยอะเยอะใช่ป่ะหือบางทีแบบเฮ้ยต่หาไอ้นั่นที่แล้วเราจะได้มีความสุขหน่อยความคิดมันแค่เป็นตัวตัวฟืนสุมอารมณ์เฉยๆตัวอารมณ์อ่ะมันแค่สุขมันแค่สบายใจนิดเดียวแค่นั้นแหะไอ้ความคิดมันก็จะสุมให้ความสบายใจนั่นลุกขึ้นมาคุบๆๆเลยไอ้ตัวไม่สบายใจไม่ไงไอ้แค่ไม่สบายใจนิดเดียวไอ้ความคิดก็พยายามสุกให้ไม่ให้ไม่ให้มันดับ เอาคิดเอาคิดเอาเพื่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อให้มันเกิดอารมณ์เพื่อจะให้แม่แมอารมณ์แล้วมันดับแต่พอเราถอนฟืนซกมันจะดับเองมันเนี่ยความคิดเป็นตัวแค่สนับสนุนอารมณ์เฉยๆเท่ทา น, นั้นเองเป็นตัวขยายเขาเรียกว่าเป็นตัวขยายผลของอารมณ์สังเกต้ง่ายเวลาเราฟังเสียงปุ๊บเนี่ยเสียงที่เราไม่ชอบใจนะแค่เสียงมันดับไปแล้วนะกระทบปุ๊บแล้วเราเกิดอากา ร, าการไม่ชอบใจปั๊บแค่นี้เองนะดับกันล้ว แต่เราเริ่มพอมาคิดเนี่ยขยายผลมันอยู่เรื่อยๆได้ยินทุกครั้งก็จะขยายผลไปแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยจนเจนนิสัยของตัวเองจนเป็นร่องของจิตเราจนเป็นความเคยชินของจิตว่าเมื่อกระทบอย่างนี้ปุ๊บต้องคิดอย่างนี้เมื่คนที่ชอบคนชอบแต่ละคนยิ่งไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาสังเกตคนชอบอ่ะบางคน บางคนชอบดูนกอย่างเงี้ยบางคนชอบต้นไม้บางคนชอบสัตว์เลี้ยงสังเกตไหแต่ละคนน่ะจะชอบแก่อนไม่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยให้เข้าใจว่าโลกเขาใช้โลกเขาเขาเล่นกับเราอย่างนี้แหละถ้าเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราจะนั่งอยู่อย่า ง, างสบายๆนะนั่งโยดูพฤติกรรมเ ข, เขาได้อย่างสบายๆแต่เขา mm hmm. เขาก็เป็นเหมือนเดิมมาและว เขากเป็นบปเขาเป็ น, ปนคนไหนรู้คนนั้นคนสบายคนไหนหลงคน น, ค น, น, บบนั้นก็วุ่นวายเนี่ยเข้าใจหมดแหละแต่ขี้เกียจเหมือนเดิมว้ของดีๆของดีๆแต่ขี้เกียจโอ้ยอสิ่งนี้เนะี่ยมันดีฝ่งเงินทองนะมันดีฝังข้าของตั้งหลายทั้งพวงที่เรามีอยู่นะ จะบอกให้เข้าของต่างๆทั้งปวงเนะี่ยพอเวลาคุณโมโหมันเนี่ยของที่คุณรักที่สุดเวลาคุณโมโหมันคุณทํำลายมันได้อย่างสบายเลยนะุ้ณไสังเกตดูสิอันเนี้ยรักสุดๆเลยแต่วันไหนโมโหเนี่ยวฟางไม่เหลือดูสิชันเจ้าตัวอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักมันดีๆรู้จักหน้าตาหน้าตาท่าทางมันดีๆเลยโอ้ยมันมันปั่นเรา ที่น่าชิบหายหมดแหละปัจจุบันเนี้ยและยิ่งปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยอ่อนแอต่ออารมณ์ว่าเอาอารมณ์ปเป็นหลักเอาอารมณ์ปเป็นจุดใหญ่เอาความพอใจของตนเองเป็นเป็นเป็นหลักแล้วความพอใจของเราเหมือนความฝันนะเนี่ยพอใจอันนี้แล้วก็ไปพอใจอันโน้ตแล้วไปพอใจอันนั้นแล้วลืมไปว่าถ้าคุณมีความพอใจปุ๊บความไม่พอใจก็ตามมามันเหมือนเหรียญที่ติดต่างกันเป็นทั้งสองได้ ด้านนี้โล่อีด้านหนึ่งสอนไอีด้านหนึ่งแอบแฝงอยู่เนี้ยนะเช่นนันเราต้องพยายามไม่เป็นดีๆนะนจะไม่ให้พูดแล้วอะ่ะ <c oughs> ต้องพยายามทาําความเข้าใจกับมันให้เฉดีไม่งั้นแล้วเราจะอยู่กับปันแบบปันปันหัวเราตลอดคนอื่นปั่นหัวเราไม่เท่าไหร่นะ แต่เราปั่นหัวเราเองเนี่ยยิ่งกว่าคนอื่นก็ปั่นหัวเราเดี๋ยวก็ไปแล้วใช่ป่ะแต่ตัวเองปั่นหัวตัวเองเนี่ยไม่มีใครกูก็ปั่นกูได้ยิ่งกว่าจับเคยปั่นจิ้งหรี่ไหมวิธีปั่นจิ้งหยิ่งกว่าปั่นจิ้งหรีง ง, งต่อชะคามชีวิตงงต่อเภาว่าความเป็นอยู่งงต่อการจะทําอะไรกับมันดีๆแต่ไอตัวรู้ที่เข้าไปสันติเหตุการณ์เหล่านี้ยมันจะบ่งบอก ถึงความจริงก็มันมันซ่อนอยู่ความจริงมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ั้มมันไม่ใช่ว่ามันต้องไปสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้แหละเห็นแต่าเราไม่หลงกับเวทนาเนี่ยพุทธเจ้าเลยใช่ไหมพุทธเจ้าไม่สอนสอนความพอใจและไม่พอใจเพราะว่าถ้าคุณพอใจเมื่อไหร่คุณก็เตรียมตัวเถอะที่จะเจอความไม่พอใจ คุณไม่พอใจเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเถอะที่คุณจะพอใจเพราะเขามเมือนเหรียญสองด้านที่ไปด้วยกันนอกจากเราจะวางทั้งสองเรื่องแล้วไม่ยุ่งกับเหรียญ น, นั้นทั้งนั้นเองเขาเป็นเหรียญสองด้านทุกๆุกอย่างเขาเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นไอ้ตัเวทนานที่ที่ตัวว่ารู้มันที่เฉยตามที่มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นกันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอยู่ในระดับกลาง เป็นอุเบกขานะอุเบกขาเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงวางแล้วจึงวางไม่ใช่ไม่เข้าใจไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วไปวางมันมันไม่มีทางหรอกไม่มีทางนะเราจะวางอะไรได้เราต้องเข้าใจเห็นตามความเปจริงว่า น, นี่คือโทษจริงๆมันจึงวางนั้นระบบของจิตก็เหมือนกันดังนต้องให้มันมันเผชิญน่ะ ประเชิญกับอารมณ์อย่าไปรักษาใจอให้ใจมันประเชิญอารุณแต่ให้ใจมันหัดเรียนรู้ให้มันเกิดมาเลยมึงจะคิดเท่าไหร่ให้มึงคิดไปเถอะไม่จะเสียสตังสักบาทที่เรียกอะไรกับมันวะดีจะตายคิดมากีเรื่องอะไรคิดมามันจะฆ่าใครก็คิดมาอ้าวเอาในสนามรบกูแหละแต่จะไปรบข้างนอกก็แล้วกันเ๋ยวมันก็สงบสึก นี่ห้ามไปห้ามไปห้ามไปไม่ชอบอะไรก็ให้มาแต่อย่าไปทําตามวันเนี้ยให้หัดสเต็ปที่สองไม่ต้องเปลี่ยนท่าช่วงนี้ยมันเริ่มอยู่กับตัวนี้ได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมสร้างจังหวะในอาการเดิมแต่มันรู้ที่ลักขณะได้ดีขึ้นที่พยายามว่าปับท่านู้นท่าน ين, ี้แล้วกลับมาท่าเดิมปรับท่านู้นท่านี้แล้วกลับมาท่าเดิมเพื่อให้จิตมันคุ้นชินคุ้นชีนกับการอยู่ท่านี้ได้นาน ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยเปี่ยนบ่อ ย, เ, อ ย, อยเดี๋ยวก็จะมีแตจอมเทคนิคเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั้นนีู่แล้วไงเนีอ่อมันต้องตัวระเปล่าเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราต้องใช้ลักษณะาาพามันออกเนี่ยคือใช้ใช้เทคนิคใช้วิธีการเพื่อพาใจมันมารู้ให้ได้ก่อนช่วงแรก เ, เพื่อให้ผ่านนิวรแต่พอช่วงที่สองเนี่ยนิวรเริ่มลดลงเริ่มเบาลงทีนี้ไม่เปลี่ยนล ะ, ะเผชิญหนะ้าแต่ระวังกายกรรมกับวจีกรรมรร ม, มนโนกรรมไว้ เวลามันอยากจะเปลี่ยนดูมันก่อนว่าไออยากจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายหรือเป็นเรื่องของใจเวลาอยากจะเปลี่ยนเนี่ยกายยังไม่เจ็บเลยทักทั่วมันดีเอ้กายเจ็บหรือยังกายยังไม่เจ็บนี่หว่าเอานี่มันเป็นเรื่องของใจอย่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยอย่าเปลี่ยนดูมันไปดูมันไปดูมันไปอย่าเปลี่ยนเดินไปเฉยเเรื่อยยาวไปเลยเดินก็เดินยาวไปเลย ลองดูนั่งแล้วนั่งยาอวไปเลยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางไปเรื่อยดูมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะอึดอัดขับเครื่องทั้งร่างกายมันจะเป็นไงจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยก็บันเทามันไปเปลี่ยนทา่าทางไปเรื่อยๆแต่ในใจไม่ต้องไปสนมันเลยมันสังนสงนส่งนู่นสั่งนี่สั่งนั้นไม่ต้องไปสน ม, มันเลยบางทีต้องล็อกห้ามต้องล็อ ก, ล, อกล็อกล็อกเอี๊ยบหดไงก็รลยยานพามาไม่รู้มันจะผาเราหรือเราจะผ่ามันเนี่ย เดินอยู่แหละเดินอยู่นั่นแหละเบื่อก็เดินขี้เกียจก็เดินขยันก็เดินลงก็เดินปูงก็เดินเดินอยู่นั่นแหละไม่สนใจภาวะใดๆเลยมันเจ็บปวดมากมันเอาบรรเทามันได้แค่ไหนก็เอาบรรเทาไปแต่ก็เดินอาจจะเดินช้าเดินเร็วเดินอะไรก็เดินไปอย่างเงี้ยอยู่นั่งเนี่มันจะปวดอย่างกับพลิกไปพลิมันั่งอยู่นั่นมันจะร้อนแค่ไหนก็นั่งอยู่นั่นแหละดูมันสิว่าข้างในมันจะทําอะไรนักหนาแล้วไม่ต้องไปทําตามมันลบ เราไมจะบดไว้อยู่ตรงเนี้ยดูมันมันจะเกิดมันจะเกิดภาวะใดก็อ่ะดูมันศึกษามันมันจะดีขึ้นเนีย่ยก็เรื่ออันนี้ก็เรื่อฝึกฝืนช่วงแรกที่พาเทคนิคนู่นนี่นั่นเป็นการฝึกออกช่วงที่สองก็ฝึกฝืนฝึกฝืนนี่สนุกมากเลยอย่างเช่นเราก็กินกาแฟาติดกาแฟาใช่ไหมเห็นทีนี้ต่อไปในีย่าอาอากกายกรรมก็จีกรรม ดูซิว่ากาแฟาจะกระโดดใส่บากได้ไหมดูมันมันจะอยากอยากไว้ไม่เอามือไปทำํำไม่เอาปากไปอ้ามันดูซิมันจะวิ่งมาใส่เราได้ไหมถ้ามันใส่ได้พวกใดเนี่ยกุศลโซฮกวันเลยแหละอันนี้ฝึ ก, ฝ ก, ฝกแล้วก็ดูอารมณ์มันมันสั่งเราอยู่เรื่อยเพราะอันนี้แหละเราไม่ทันสัญชาติญาณเนี่ยสัญชาติญาณความคุ้นชินเนี่ยเราไม่เคยทักท้วงมาเลยนั่นมันอยากคุบทําตามมันอยากคุบทําตามมันเลยมีกําลังไม่เลิก แต่ถ้าอยากปุ๊บฝืนมันไม่เอากายกรรมวันจีกรร ม, มโมโกรรมไปรวบนี่ก็จะเริ่มฝึกขั้นตอนที่สองคือศีลแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สองคือการศีลนีแล้วเราก็สร้างสมาธิคือความมั่นคงกับกับการตัวรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยมันจะเปเสริมตัวรู้ให้เข้มแข็งขึ้นที่จะไม่ไปวุ่นวายกับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ก, ก็คือเวทนาสามตัวนี่แหละให้รู้มันมันเพื่อจะเข้าสู่อุเบกขาคือรู้เฉย รู้ตามที่นั้นเป็นรู้ตามที่มันเป็นเข้าใจคำนี้ั้มรู้ตามที่มันเป็นแน่ใจอะว่าเข้าใจอะอมองดูแล้วมันไม่เข้าใจเลยอย่างเช่นดูง่วงมันเป็นอย่างเงี้ยหรือเราเป็นคนง่วงดูคิดมันเป็นเนี่ยแต่เราไม่ดูความโกรธมันเป็นแต่เราไม่ได้เป็นคนโกรธเนี่ยดูตามที่มันเป็นความหมายมันลึกซึ้งขนาดนี้นะ S <S ไม่ใช่ดูตามที่มันเป็นตัวเองไปเป็นแล้วก็ไปรู้เรื่องนี่ไม่ใช่นะเพราะว่าดูตามที่มันเป็นนี่หมายความว่ามันเป็นยังไงก็ดูตามนั้นโดยเราไม่ไปต่อต้านหรือไม่ไปตามไม่ตามแล้วไม่ต้านนี่คือความหมายการดูตามที่มันเป็นเมันเหมือนดูอ่ะดูเขาชกมวยอ่ะแต่เราไม่ได้ไปชกมวยด้วยดูเขาทะเลาะกันแต่เราไม่ไปทะเลาะด้วยเนี่ยเขดูตามที่มันเป็นนัยยะ ข, <S <S ของมันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ดูตามที่เป็นแต่ไปเป็นกับมันโดยไม่รู้ตัวงี้ไม่ใช่ดูตามที่มันเป็นหรือน่าไปเป็นกับมันแล้วในการดูตามที่เป็นดูตามที่มันมันแสดงนั่นแหละมันแสดงยังไงแล้วรู้ไหมละครชีวิตนี่น่าดูมากกว่าในตัวเราเนี่ยโอ้โหโคตรน้ําเน่าเลยโคตรน้ำเน่าเล ย, เเลยอะไรไ่รู้สร้างมพัดเรื่อง เดีก็อิจฉาเขาฤิษยาเขาเดียวก็เป็นเทวบุตรเดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดียก็เป็นพระเอกเด้ยวก็เป็นนางร้ายอยู่ในนี่หมดเนย่ยอ๋อสารพัดเรื่องที่มันจะขุดโขดขึ้นมาเนี่ยสารพัดให้เราเห็นโอ้เราคนคนหนึ่งแสดงได้หลายบทบาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเท่านี้ให้ความรู้เรื่องเกีเ่ยวกับเวทนาเนีะฉั้นโลกไปนี้มันมีแค่นี้แหละจัดการมันดีเรียนรู้มันให้ชัดแล้วอยู่กับมันให้เป็น มันจะได้อยู่เซสุขสบาย